เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงเข้าไปสัมผัสภายในใจเป็นลำดับลำดับความรับทราบและทราบทั้งความหมายด้วยภายในตัวจิต ท, ที่รับทราบกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ขาดว่าขาดตอนนั้นย่อมทำให้จิตลืมความคิดต่างๆซึ่งเคยคิดโดยปกติของจิต แล้วก็กลายเป็นความเพลินต่อธรรมมันกลายเป็นความสงบลงไปได้หมายทั้งผู้ที่ยังไม่เคยอบรมเลยเนั่งฟังภาวา น, นาฟังก็เกิดความสงบได้ขณะผู้ที่เคยอยู่แล้วนั้นก็เป็นอีกแง่หนึง่ง การฟังธรรมในการนั่งปฏิบัติกรรมาฐานในขณะฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งของการปฏิบัติทั้งหลายเพราะเราไม่ได้ตุงได้แต่งท่านตุงท่านแต่งให้เสร็จเมื่อหัดเมื่อทำท่านแสดงเข้าไปสัมผัสซึมซาบถึงจิตใจให้เกิดความซาบซึ้งให้เกิดความสงบเย็นใจลงโดยลําดับถ้าจิต เกี่ยวกับทางสมาธิก็สงบได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าที่เราบังคับบัญชาให้สงบโดยลำพังที่เราภาวนาเพียงคนเดียวถ้าเป็นด้านปัญญาถ้าอธิบายเป็นในแง่ใดปัญญาจะตามท่านคือขอยับตามท่านนลยเลยเลยเลยเคือนไปตามนั้นเหมือนกับท่านทาบุกเบิกท่านบุกเบิกให้เราก็ด้อมตามหลังท่านไป เพราะฉะนั้นขั้งพุทธการจึงเป็นพื้นฐานมาโดยลำดับจนมาทั้งถึงพระปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่เกี่ยวกับการฟังเทศขั้งพุทธการฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าสศากดาแล้วก็พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างผู้ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นผู้ฟังอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้มีภูมิปิตภูมิใจเหล่มล้าต่ำสูงต่างกัน การฟังเทศจึงต้องได้นับผลประโยชน์ในขณะที่ฟังต่างๆกันไปโดยลำดับบางท่านที่มีปุิสายสามารถเรียกว่าตเัเภศอุปติตนอยู่วิปปิติตนอยู่คือผู้ที่จะสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วรองกันลงมาอย่างนี้ท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าสสรทรงแสดงธรรมแม้ในขณะนั้นยังไม่ได้สาเร็จ หรื อ, อยังไม่ผ่านก็เป็นการขยิบขั้นภูมิขึ้นไปครั้งนี้ขยับขึ้นไปฟางครั้งนั้นขยับขึ้นไปหลายครั้งหลายขนก่ทะลุไปได้และดิพ่าที่มีจานวนเท่าไรที่ฝังเทพนั้นนวนแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติผู้มุ่ง ต, ต่อต่อธรรมอย่างยิ่งไม่เหมือนกับสมัยปัจจุบันของเราเนี่ ซึ่งเทศผู้เทศก็รู้สึกเป็นเทศเพอเป็นพิธีผู้ฟังก็ฟังเป็นพทธีไปเสียก็เลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพทธีฟังเป็นพิธีศาสนาเป็นพิธีมันก็เลยกลายเป็นโลกไปเสียจากศาสนานั่นแหละอันนี้ทางภาพปฏิบตัติผู้ที่จะแสดงอัดจจแสดงทำให้ฟังตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมานั้นก็มีจํานวนน้อยไม่เหมือนครั้งพุท ธ, ธากาลซึ่งมีสาวกมากมายกายกล้ามจริญสำเร็จ ไ้โดยสมบูรแล้วการฟังธรรมจากสาวกทั้งหลายในข้างกุศการจึงฟังได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีจํานวนมากและสถ า, านที่ที่บําเพ็ญก็สะดวกสบายเป็นในป่าในเขาในที่เงียบสงัดมาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติที่จะรู้จริงเห็นจริงดังข้างกุศการก็มีจํานวนน้อยนอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติที่สนใจต่ออรตธรรมอย่างจริงจังเหมือนครั้งนั้นก็มีจำนวนน้อยอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามผู้มุ่งต่ออรตธรรมฟังอัดฟังธรรมจากการปฏิบัติของครูอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาแล้วด้วยดีนั้นย่อมมีผลประจักษ์โดยลำดับตามกําลังความสามารถของตนเช่นเดียวกันกับท่านผู้ตกากันเราจะเห็นหน้าในขณะที่ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดง เรากําลังปฏิบัติอยู่ในจุดใดหรือมีข้อขอ้องใจอยู่ในจุดใดขณะที่ฟังปโดยลําดับแล้วก็เพลินไปเป็นผลเป็นประโยชน์ในขณะนั้นโดยลําดับลํำดับพอจวนจะถึงจุดนั้นจิตจะเจาะทันทีเพราะนั่นเป็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถจะแก้ได้ทะลุกุโผงไปขณะที่ฟังก็รอท่านจะถึงที่นั่นท่านจะว่าอย่างไรอุบายท่านจะแก้ในจุดนี้ท่านจะแก้อย่างไร ผิดจอของนั่นพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั่นท่านผ่านไปเลยด้วยอุบายที่ท่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเราก็ได้สติขึ้นมา ท, าทันทีรู้เขา้าคือเข้าใจในจุดนั่น ท, ทันทีก็เป็นอันว่าท่านช่วยแก้ในจุดนี้ผ่านตระละจุดหนึ่งี่จากนั้นเราก็ปฏิบัติโดยลําดับตามธรรมนาของขั้นปัญญา น, นี้จะมีความเข้างใจโดยลํำดับ ความข้องใจที่จุดไหนนั่นแลคือจุดของงานที่ปัญญาจะต้องพิจิพิจนารณาทำงานอยู่โดยลำดับขณะฟังธรรมเป็นขณะที่แก้ที่เหลือายในตัวของภูมิปฏิบัติใน ม, มากได้น้อยหากได้ไปไเรื่อยครั้งนั้นครั้งนี้หลายครั้งหลายหนก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาล เน่ยจะชา้าจะเร็วต่างกันอยู่บ้างก็ซึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติที่จะรู้จะเห็นในครั้งปฎิการทันมุ่งต่อการถอดถอนกิเลสตัวไถ่เดียวหรือจะแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซนที่มุ่งปฏิบัติเพื่อความลุพ้นในเรื่องขนมทาเนียมประเพณี บวชพอเป็นพิธีหรืออะไรๆอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีในครั้งนั้นต่อมาก็ค่อยเรือนลางค่อยจางไปเป็นธรรมดาการฟังเทศในด้วยภาคปฏิบัติคือกำลังนั่งฟังอยู่ในขณะท่านแสดงธรรมนั้นมันเป็นความเพลิดเพลินภายในจิตใจของผู้ฟังแต่ละท่านละท่านทีนท่ต่าง องต่างสนใจหรือต่างคนต่างสนใจจึงไม่กําหนดไม่สําคัญกับเวลาเวลาว่าท่านเทศนานหรือไม่นานสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คํานึงถึงเวลาเวลามีแต่ความรู้กับจิตมีแต่สติกับความรู้กับธรรมที่สัมผัสในขณะที่ท่านเทศเท่านั้นมีเท่านั้นเรื่องเวลาเวลาไม่มาสนใจแม้ที่สุดร่างกายไม่ทราบมันเจ็บมันปวดหรือไม่เจ็บไม่ปวดมันไม่ปรากฏ มีแต่วความรู้เด่นอยู่โดยลำหนับในขณะที่ฟังท่านว่าอะไรความรู้มันก็ทราบความหมายไปโดยลำหนับลำหนับความทราบความหมายทางธรรมนั่นแหละเป็นความเพล่ดเพลินของจิตในขณะฟังนอกจากนั้นจุดใดที่เรากําลังสงสัยท่านก็เทศไปจุดนั้นก็เกิดความเข้าใจขึ้นมามีเรียกว่าได้ผลอันนึง่งเป็นพิเศษนอกจากได้ผลเป็นความสงบเป็นใจที่ได้ผลเป็น ความคล่องแคล่วของจิตที่ขยับตามท่านแล้วยังได้ผลในขณะคือเราสงสัยอยู่ท่านแสดงผ่านไปเราเข้าใจแล้วผ่านไปได้ในจุดนั้นหนะึ่งจากนั้นก็ออกไฟบำเพ็ญดูโดยลําทางตนเองเมื่อได้รับการอบรมจากท่านแล้วต่างองค์ต่างหาที่หลบซ่อนไปบำเพ็ญโดยลําทางตนเอง ผู้ใดอยู่ในภูมิในก็เร่งในภูมินั้นของตนเป็นภูมิสมาธิที่ยังไม่มีความแน่นหนามันคงพอก็เร่งแล้วปัญญาก็พิจารณาในตามการที่เห็นสมควรไปโดยลำดับเช่นเดียวกันผู้อยู่ในขั้นปัญญาล้วนๆก็จะพิจารณาตั้งแต่ด้านปัญญาฟังเทศอยู่ต้งนั้นทำงานเพื่อการแก้การถอถอนที่เหล็ฟังเทศในหลักธรรมชาติแก้ที่เล็ นในตัวในขณะที่พิจิตพิจารณาเป็นความเพลิดความเพนในในงานของตนและผลของงานที่เกิดขึ้นแต่ทินอันนี้เป็นผลของงานที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสได้ทั้งนั้นโดยลำหนับลำหนับเนี่ยความเพลนะินะทำในธรรมจึงเป็นความเพลินที่แปลกประหาเพลินไม่อิม่มไม่พอแล้วเพลินแะล้วไม่มีความเศร้าโศกเครือบแฝงมาตามหลัง เหมือนกับความคพลินในสินทั้งหลายจิตใจถ้าฟังทางด้านปฏิบัติเข้าใจก็แสดงว่าฐานรักของจิตมีพอทั้งพวนแล้วตามธรรมดาถ้าเราไม่มีฐานของจิตไม่มีอะไรเลยนี่ฟังด้านปฏิบัติจะเข้าใจได้ยากง้แต่อาจารย์เองก็เปิดไปสังเทศท่านในการมั่น ฟังไม่รู้เรื่องรู้ยาเลยเวลาทันเทศถึงเรองขาดเรื่องฐานเรื่องกิเลสการถอดถอนกิเลสด้วยวิธีใดอาการใดฟังไม่เข้าใจเพราะฐานของจิตเราไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญโดยไถ่เีแต่เวลาจิตได้อบรมไปโดยลําดับทางเทศไปโดยลําดับเลยเกิดความเข้าใจและทราบซึ่งจนกระทั่งจิตเรามีฐานแห่งความสงบแล้วยิ่ง ไพเราะเพราะเพ่งทราบซึ่งตลอดเวลาในการฟังและจากนั้นก็ยิ่งมีความดุดดื่ดหิ้วกระหาอยากฟังท่านเทศอยต่ตลอดเวลาเทศละเอียดรอเทศทำสุ ข, ขันสูงเท่าไรแม้ตนจะยังไม่เข้าใจในทำขั้นนั้นแต่จิตก็เพืเ่อเถินไปตามต่หนึ่งมือจะเอื้อมถึงพนิพพานอยู่แล้วในขณะที่ท่านเทศเป็นความเพือเถินว่าถ้าพดไปตาม รู้สึกว่ามันรุ่นเดิมภายในจิตใจเพิ่นไปตามเงินพอท่านเทศจบลงแล้วผมเหมือนเอากระทะมาครอบหวัวเนี่ยมองไม่เห็นเลยพยายามบึกบูนตะเกียบตะกายไปตามกาลังความสมารถของผมเวลามันไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจิตใจดังที่เทศเมื่อคืนนี้เวลามันโง่มันก็เหมือนจะไม่ฉลาดเลย เวลาหลงก็เหมือนจะไม่รู้เลยเวลาทุกข์ก็เหมือนจะใม้มีสุขอยู่ภายในตัวเลยคนทั้งคนจิตทั้งดวงไม่มีสาระอะไรเลยเหมือนกับถ่านเถิงถ้าพูดถึงร้อนมันก็ร้อนเหมือ น, นถ่านเถิงพูดถึงดำมันก็ดำเหมือนถ่านเถิงที่ไม่มีไฟแต่เพราะการชำระการบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอก็ค่อยชำระขัดเกาวไปเรื่อยๆค่อยป่งใสขึ้นมา ผองใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาความรู้ก็เกิดขึ้นความฉลาดมันก็มาพร้อมกันความสุขก็มาพร้อมกันกับความป่องใสใจก็เบิกบานมีแม่มแจ่มใสมองเห็นเรารู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นโดยลํำดับจนกลายเป็นความบัตจารภายในจิตใจของตนก็มีเมื่อปฏิบัติเข้ามากๆก็อะไรอะไเขาพิจารณาไปหมดถึงโลกกระแทกจะมากน้อยเพียงไรก็พิจารณาไปหมด ลอยวางไปโดยลําดับลํำดับด้วยการเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผลสุดท้ายแม้แต่เรื่องธาตุเรื่องขันก็สักแต่ว่าธาตุมาขันพิาจารณาลงไปอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายนอกกายของเราก็จะในกดแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันจนเข้าใจเรื่องภายในส่สวนร่างกายได้อย่างชัดเจนกับสิ่งภายนอกแต่ก็ยิ่งมีความสว่างสวัย เลยจากผ่องใสกติการเป็นความสว่างสไไวร่างกายของเราจิตแต่ก่อนก็เหมือนภูเขาทึบทั้งลูกนั่นแหละแต่เวลาจิตใจมีความผ่องใสมีความสว่างสไไหวแล้วมันแทงทะลุปไปได้หมดร่างกายเหมือนไม่ไมีมี่ก็เป็นเงาเง า, เ, ง า, เ, งาเท่านั้นเพราะอํานาจแั่งความรู้อํานาจดั่งความสว่างที่มันปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดภายในจิตใจเป็นประจำอยู่ภายในร่างอันนี้ มองอะไรก็สว่างไปหมดเพราะจิตสว่างนั่นแหละตอนมีความอัศจรรย์นั่งที่ไหนก็ภูมิใจตัวเองอัศจรรย์ตัวเองคืออัศจรรย์จิตดวงนั้นนี่จิต ด, ดวงเดียวนี่แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างหนึ่งและต่อมาต่อมาเป็นอย่างหนึ่งค่อยเปลี่ยนสภาพมาเรื่อ้วยด้วยการซักการข้อการปฏิบัติการบำรุงรักษาของเราจนกระทั่งถึงขั้น มีความสว่างสวัยเกิดความอาัอิการยภายในตัวเองงานที่จิตขั้นนี้พิจารณาก็มีแต่เรื่องขันเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นใดแม้แต่รูปซึ่งเป็นเกิดพิจารณาเป็นการเป็นงานจริงๆแต่ก่อนมันก็ปล่อยเนี่ยเพราะว่าถ้าว่าขันมันก็ไม่ครบพอถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วรูปประขันมันก็ปล่อยเอเวทนาสัญญาทั้งขันทั้งขันวิญญาณขัน แต่และอย่างอันหนึงมันก็เป็นสาภาพที่จะพิจารณารู้ได้เช่นเดียวกับรูปประขันหรือสภาวธรรมก็ทั่วไปไม่นอกเหนือไปจากวิสัยของสติปัญญาที่จะสามารถอารู้ได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่เสมอหรือด้วยการอบรมสติปัญญาให้มีความแก่กล้าขึ้นเดยลำดับาสามารถรู้ได้เช่นเดียวกับขั น, น, นอื่นๆคือรูปประขัน รู้ได้ต่อยได้เวทนาขันรู้ได้เวทนาขันหมายถึงเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตโอ้เปิดขึ้นภายในขันก็เข้าใจสัญญาขันเข้าใจสังขารขันเข้าใจแล้วขันอันนี้ก็ละเอียดโดยลําดับจนกระทั่งรวมเข้าไปสู่จิตอันเดียวรู้ปัญญา ก, ก็รู้เท่า เวคนาอันหยาบเกี่ยวกับร่างกายรู้เท่าสัญญาที่หมายแต่หยาบรู้เท่าสังขารคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆรู้เท่าวิญญาณรับทราบผิวภายนอกรู้เท่ารู้เท่าโดยลำดับนี่หดตัวเข้าไปเพื่อจะจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวก็ต้องอาศัยอารมณ์คือสังขารความปรุงสัญญาที่แยกออกมาหมายนั่นแหละเป็นงานของจิตในขั้นนี้ ก็ตัดสานเข้าไปสู่จิตดวงที่ผ่องใสดวงสนาผ่าเผยนั่นสังเกตสอดรู้อาการของจิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไปตรงดีตรงชั่วกลางๆดับไปทั้งสิ้นดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนคือความค้นคว้าความทดสอบหรือความสังเกตของจิตเพื่อจะหาต้นตอมั น, ม, นมันเกิดจากตรงไหนมีเท่านี้ เป็นงานของจิตนอกจากนั้นปล่อยหมดไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดเพราะจิตเข้าใจแล้วเขาปล่อยวางแล้วจะเอาความหมายมาจากไหนจิตเป็นผู้ทำให้ความหมายว่านั้นดีนี้ชั่วเมื่อจิตทราบชัดทั้งสิ่งนั้นทั้งความหมายตัวเองแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาแม้ที่จุดในเรื่องของขันมันก็ยังถอยมันปล่อยวางได้เหลือตั้งแต่ความรู้ที่ผ่องใสที่ สว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจตายทั้งทั้งร่างก็เหมือนไม่มีในแต่ความรู้นี้ครอบหมดสว่างอยู่ภายในตัวทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีความสว่างสวัยอยู่เป็นประาำแต่ความสว่างสวัยอันนี้ก็เคยอธิบายให้ตังแล้วแล้วไม่ทราบ ว่าความสว่างอันนี้คืออะไรเพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยพบตั้งแต่วันเกิดมาว่าอย่างนั้นเลยแล้วทำไมจะไม่ติดคนเราทำไมจะไม่ชอบทำไมจะไม่รักไม่สงวนความไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ทำไมจะไม่เข้าทาไมจะไม่ว่าเป็นของมีค่ามีราคาทำไมจะไม่ว่าเป็นของอัศจรรย์ต้องว่าด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่เคยเห็นอันใดที่จะอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมชาติอันนี้ บรรดาที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตจึงติดได้แต่เมื่อติดไปนานๆเรื่องของโลกมันเป็นอนิจจังเพราะอันนี้มันเป็นสมมุติสมมุติมันก็ต้องอยู่ในกฎอ น, นิจจังเมื่ออยู่ปนานๆคลองกันไปนานๆชมกันไปนานๆรักสงวนกันไปนานๆานชอบใจกันไปนานๆามันก็ทาให้มีแง่คิดได้ เพียงที่จะให้มีแง่คิดก็คือความสงวนไม่อะไรมาแตะต้องอิกดวงนี้เลยบางทียังมีปรากฏเป็นความเฉาๆขึ้นมานินดๆให้รู้ว่ามันเฉาขึ้นมาได้ยังไงเป็นข้อกังวลอันนขึ้นมาตามขั้นของจิตแม้จะไม่มีมากก็าตามนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนาอันที่มันแท้ขึ้นมาจากที่มันเกิดขึ้นมาจากความที่ว่าจิตเฉาๆหน่อย มีเวทนาของจิตไม่ใช่เวทนาของกายอยู่เฉยร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดก็ตามเวทนาของจิตแสดงความเป็นความสุขรื่นเริงภายรกิตจวงนี้ก็เป็นสุขเวทนาเวลาจิตมีความเศร้าหมองบ้างเล็กๆน้อยๆตามขั้นหลัอันละเอียดของจิตก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาความไม่สบายก็ไม่มากไม่มากก็าตามก็เป็น เวทนาอันหนึ่งถ้าเราสังเกตด้วย ป, ปัญญาก็ทราบนี่เป็นสาเหตุที่จะต้องพิจารณาถึงจุดตรนนี้ทําไมแล้วมันทํามาถึงเฉาเนี่ยทั้งๆที่พยายามรักษาอิทวายถึงเฉาเป็นผู้ให้ลายถึงเฉาธรรมาชาติอันนี้เป็นที่แน่ใจได้หรือว่าสายแล้วทาไมเฉาทาไมเศร้าหมองอยูได้เพียงตากดนิดหนึ่งก็ตามก็ให้เห็นประักษพรพยานว่าอันนี้ไม่เป็นของเที่ยงไม่เป็นของแน่ใจ พอที่จะนอนใจตายใจได้นั่นเนี่ยจึงปัญญาเราจึงจะปัดเข้าไปกลุ่มนั้นนี่มันเป็นอะไรแน่เนี่ยมันจึงเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็แสดงว่าไม่แน่ใจหรือไม่ไว้ใจกับความสว่างสวัยความอัศจรรย์อันนั้นจึงต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งทีเพราะมันไม่มีที่จะพิจารณามันหมดที่นี่พอจาะปัญญาเข้าไปตรงนั้นสติเข้าไปตรงนั้นกําหนดว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรกันแน่ กำหนดดูเข้าไปดูเข้าไปการดูของสติปัญญาขั้นนี้ดูจริงๆไม่ได้มีความเถอความคลั่งไปพลาดไปไหนเลยดูอะไรเป็นงานอันนั้นจริงๆทําเป็นทํากําหนดอะไเป็นอ น, นั้นต์เป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาเมื่อนาํามาใช้ในจุดนี้ทําไมจะไม่ได้ผลอย่างรวดเร็ว เ, เพราะเป็นขั้นของสติปัญญาสมมติอยู่แล้วใช้างานในทางใดได้ผลมาหมด เมื่อใช้งานในจุดนี้ทําไมจะไม่ได้ประการสําคัญก็คือความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นทําให้สงสัยเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาจดจ่อดูสังเกตเอมันเป็นอะไรแน่อันนี้นี่นีแสดงว่าจุดนั้นเป็นเป้าหมายขอการพิจารณาหรือเป็นสภาวธรรมหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั่วไปพอพิจารณาลงไปเท่านั้นไม่ได้ห น, น่านอะไรเลย มันคอยจะแตกจะสลายไปอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราโง่เฉยๆพอกำหนดเข้าไปคก็ไอ้เรื่องทิวาตะจันก็สลายลงไปทันทีเนี่ยธรรมะตะจันอนั้นก็หมดไปความที่ว่าเศร้าหมองผ่องใสทั้งหมดไปพร้อมๆกันกับจุดอนั้นที่สลายตัวลงไปนั่นสมมุติขั้นสุดยอดแห่งสมมติ ท่านสุดยอดแห่งกิเลสแห่งอาศวะท่านเรียกว่าอาวิชชานี่แหละคืออวิชชาตรงนี้เองไม่มีอันใดเป็นอวิชชายิ่งกว่า น, นี้ละเอียดและออนมากที่สุดจนถึงขนาดม่าต้องหลงไปได้ลืมตัวไปได้เถอะไปนะ้ทีนี้เมื่อความมหัศจรรย์ของสมมติอันนี้สลายลงไปแล้วสิ่งที่เป็นนิมมติไม่ต้องถามถจะมหัจรรย์เหนืออันนี้สักเท่าไหร่คาสตาของโลกเป็นผู้เหนือโลก เป็นผู้ประเสริฐสุดท่าสาวกอราหันอรหันท่านประเสริฐสุดท่านประเสริฐสุดเพราะจิตดวงที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากเครื่องหุ้มห่อมีความสว่างไสวหรือความป่องใสนี่เป็นต้นเมื่อนิสสาออกไปเนี้ยนั่นก็แสดงตัวเต็มที่ตามธรรมชาติของตนนั่นแหละความประเสริฐของท่านท่านประเสริฐที่ตรง น, นั้นอันนั้นจึงเป็นความประเสริฐแท้โดยไม่ต้องได้ระมัดระวังรักษาไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องติด ไม่ต้องสงวนไม่ต้องรักษาไม่ได้เหมือนอันนี้อันสว่างสวไวอันนี้ได้ระมัดระวังรักษาเป็นความกังวลอยู่ตลอดเวลากังวลตามขั้นของจิตแม้จะไม่มากก็มีอยู่นั่นสุขเวทนาก็มีอยู่ที่นั่นทุกขเวทนาก็มีอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นขั้นของสมมติสมมุติต่อสมมติก็ตามกันมาถึงกันได้พอสมมุติอันละเอียดนี้สลายลงไปหมดแล้วถ้ามัมีอะไรที่จะตาโก้และผาหัน ท่านจะเสวยสุขเวทนาภายในจิตทุกท่านเหมือนอย่างที่เคยเสวย ส, สุขเวทนาเวทนามาทั้งหลายปเป็นไปไม่ได้หน่ะมันเป็นเครื่องยืนยันในตัวเลยเวทนาเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งหมดจิต ด, ดวงนั้นพ้นจากสมมติแล้วจะเป็นเวทนาเหมือนอย่างสมมติทั้งหลายนี้ไม่ได้เหมือนอย่งางจิตทั่วไปนี้ไม่ได้แล้วก็มีข้อหนึ่งที่แสดงขึ้นในหลักธรรมว่า นิพพานัง p ระม m a n สุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความสุขของนิพพานนั้นไม่ใช่ความสุขอย่างโลกโลกนี่เพราะที่จะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วหายไปเป็นความสุขที่มีอยู่ดั้งเดิมกับธรรมชาติแหงจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเท e. ่านั้นจึงไม่จัดว่าเป็นเวทนาถ้าเป็นเวทนาก็ต้องอนิจจังตุกข์ขังตาไปด้วยกันหมดอันนั้นไม่เป็นเวทนาจึงไม่อนิจจัตุกข์ขังตาใดใทั้งหมดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำลายได้เลยข่านพ้นจากขัานที่พ้นจากมุตเป็นอย่างนี้ นี่แหะที่พระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐในจุดนี้เองแล้วนำทำออกจากธรรมชาติอันนี้ส่องสอนโลกไม่ออกจากจุดใดหรือไม่ออกจากอันใดไมายออกจากความบริสุทธิ์นี้เท่านั้นแสดงธรรมมาอันนี้เป็นของจริงเต็มส่วนแต่พูดถึงเอร์ซ็นก็น้อยปอร์เ็นแสดงธรรมออกท่องสอนโลกก็ต้องเป็นความจริงน้อยเปอร์็น้อยเปอร์เ็นไหมนี่ผู้รู้จริงเห็นจริงนําออกแสดงจะผิดไปที่ตรงไหนตนเป็นผู้ปฏิบัติมาเองทั้งวิธีปฏิบัติก็รู้ แล้วผลก็ได้รับอย่างพระจักใจเมื่อนําออกทั้งเหตุทั้งผลจะแดงแก่โลกจากความจริงอันนี้จะผิดไปไหนนี่แลที่พระเจ้าสั่งสอนโลกได้ผลเป็นที่พึงพอใจได้มากมายยิ่งกว่าบรรดาสาวกทหลายเป็นทุกเหตุ น, นี้เพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธวิสัยมีอิบายวิธีต่างๆที่สั่งสอนโลกได้กว้างขวาง ม, มากมายและสาวกท่านก็สามารถลองจากพระพุทธเจ้าลงไปอีกเพราะรู้ความจริงเห็นจริงเหมือนกันเป็นแต่ย่างว่าไม่กว้างขวางเพราะเป็นฐานว่ากายนิสัย เป็นนิสัยขอสาวกหนึ่งวิสัยพระเจ้าต้องผิดกันเป็นธรรมดาแม้จะถึงความสูตรด้วยกันก็ตามความสามารถที่จะนำทำในแง่ต่างๆออกมาสอนโลกนี้ต้องเป็นไปด้วยสติปัญญาความสามารถเฉลิดรู้ของตามวิสัยของผู้นั้นๆนตลัดถึงครูบาอาจารย์ทังเรายกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นการแสดงธรรมนี้ไม่มีใครเท่าที่ผ่านมานี้จะเหมือนท่านอาจารย์มั่นบางนี้ ความฉลาดแหลมคมของการแสดงออกในแง่ต่างๆของทาทันกับผู้ฟังคือทังกับวิเลตของผู้มาศึกษาอารมเพราะฉะนั้นวิจึตต้องหลุดลอยไปเรื่อยๆจากการสลับปรับฟังกับท่านนี่คิกกันอย่างนี้เพราะผู้หนึ่งรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดออกมาจากความจริงผู้ฟังก็เต็มเมตเต็มหน่วยเข้าใจตามหลักความจริงนั้นเลยไม่ผิดเพี้ยนไปที่ไหนนี่ไม่ได้แบบมูปลาปลาเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายสั่งสอนกันเจ้าของปฏิบัติมาของ ลดุ่มดนดอนงูปลาสั่งสอนคนอื่นจะเอาจริงเอาจรงมาจากไหนพราเจ้าของหาความจริงมาได้สั่งสอนคนก็จริงไม่ได้ที่ก็ต้องเอาปลาออกไปผู้ฟังตั้งงูปลาลูรูงูปลาแล้วมีตั้งงูปลาเป็นศาสนาเต็มคนผู้ปฏิบัติศาสนาเนี่ยเพาะนั so ้นเอาให้งูก็งูจริงท so ี like ่เห็นชัดปลาเขาปลาจริงประจักกับใจของเรานิแต่เป็นทำขั้นใดก็ตามให้รู้ประจักษ์กับเราทำเป็นจดที่โกผู้ที่เจ้าไม่ทรงผูกขาดผู้ปฏิบัติจะตึงรู้เเองด้วยกันทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเพศ แต่ก็าตามเพราะจะสนาธรมีเหมือนกันหมดไม่ยอมว่าน้กกาป่าวยและคารวะว่าหญิงว่าชายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทําเป็นของกลางส่วนเพศนั้นท่านพูดทำไว้ตามขั้นตามภูมิประกาศว่าผู้นี้เป็นเพศนักครบผู้นหนาหนายเพจนักบวชเว้นจากจิตบ้านการเดินทั้งหมดแล้วไม่ไปเกี่ยวข้องมีหน้าที่จะปฏิบัติธรรมเพ่อความรู้แจ้งยิ่งโดยถ่ายดีอยู่แต่เมื่อเข้าสงครามแล้วไปนอนเฉยๆเพราะปืนเหวี่ย ว, ายวตายพิถิพินเนย นี่บวชมาแล้วตไม่ตั้งใจพุทธปฏิบัติแต่ว่าเข้าสงครามมาโจ้สงครามกิเลสมันแทงเอาแทงเอาตายพิฆาตพิภายเนี่ยมันก็ผิดแต่อะไรกับฆราวาสเขาดีไม่ดีสู้เขาไม่ได้การปฏิบัติธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งการรักษาเพศทั้งตัวนี้เป็นอีกอย่างมันคนละอย่างนี่เร hatten, ะะื <enf ambling. S 2> ่องที่เลสแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายว่าถ้าบวชฆราวาสแจ้งอัททานนั้นถ้าจะแก่การแสดงธรรมของขั้งบุตรการ เป็นผิดกันมากมายการกรแล้วกับภูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงจริงดังที่อธิบายมานี้ผู้ฟังถึงใจทราบซึ้งถึงใจแล้วยังเป็นเชื่อหรือเป็นเครื่องหนุนพลังจิตใจเราให้มีแก่จิตใจใจเพราทีป่ปฏิ บ, าาบัติตามอีกด้วยเพราะอํานาจของความเชื่อความลมใสความถึงจิตถึงใจจากการฟังของท่านเป็นหลักสําคัญ เราก็เป็นเครือญาติของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องว่าสมัยน้นสมัยนี้สมัยนู้นรู้สมัยนี้ไม่รู้สมัยน้นคนปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานสมัยนี้คนให้บรรลุเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดจะเป็นการส่งเสริมกิเลสสมัยสมัยน้นท่านก็สอนคนมีกิเลสเนี่ยกิเลสมีตัวเพศเดียวกันกับพวกเราแล้วสมัยน้นถ้ากสอนคนให้แก้กิเลสอันเราก็แก้เหมือนสมัยน้นแก้กิเลสตัวไหนตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ย ซึ่งเป็นเหมือนกังที่เดดสมัยโน้นแอด้วยข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อปฏิบัติในครั้งโน้นผิดกันที่ตรงไหนแล้วจะมีการมีเวลามีสถานที่ที่ตรงไหนไม่มีอยู่ที่จใจของเราถ้า จ, จะทําไม่มีการสถานที่อยู่ที่เต่าเราด้วยกันถ้าจะทําคืออะไรทุกสมูทัยนี่เป็นฝ่ายกิดกัน้นมัดคือข้อปฏิบัตินี่เป็นฝ่ายบุกเบิก์ดนโรดเป็นเครื่องดับทุกเมื่อบุกเบิกได้เท่าไรด้วด้วยมัดยิด นี่เรากันดับทุกประเดิมดับไม่มีเหลือภายในติตใจเช่นเดียวกับทัง้งกฎการนี่หายนเข้ามาตรงนี้เราจะไปคิดบาปการนั้นการนี้เป็นการให้ทําให้เราท้อถอยจิตใจนี่เป็นรูบางกิเลสสอนเราอีกเราจะรู้เราจะไม่รู้เท่าทานันกิเลสเนี่เดี๋ยวจะคานไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวให้เอาทำมาเป็นเครื่องมือดังที่สอนดังนี้ก็ะจะเราจะไม่มีปัญหาในทัง้งกฎการกับทั้งนี้เหมือนกัน สำคัญอยูู่ปปฏิบัตินี้เท่านั้นอันนี้เป็นที่ว่ดเป็นที่แน่ใจขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้น